มงคลชีวิตมงคลที่แปลกความเป็นผู้รู้ศิลปะวิทยาสิบปันจากเอตามังคลมุตตามังความมีศิลปะวิทยา